ในคำว่าโสมนาศาสาตค์าตังเป็นต้นนั้นพึงทราบอธิบายความมีอัถวิเคราะห์เป็นต้นดังกล่าไปนี้ธรรมชาติที่ชื่อว่าญาณเพราะอัถวิเคราะห์ว่าย่อมรู้คือย่อมรู้ตลอดวงเล็บเปิดทำทั้งหลายวงเล็บปิดตามสภาวะคำที่ยังเหลือมีนัยยะดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละ ก็ในอธิการว่าด้วยกามาวาจรกุศลและจิตนี้พึงทราบว่าจิตสรคด้วยโสมนัสด้วยเหตุหลายประการมีอาทิอย่างนี้คือด้วยศรัทธาแก่กล้าด้วยความเห็นอันบริสุทธิ์ด้วยความถึงพร้อมแห่งปัจจัยและปฏิฆาหกเป็นต้นวงเล็บคือปัจจัยบริสุทธิ์และปฏิฆาหกบริสุทธิ์เป็นต้นวงเล็บปิด และพึงทราบว่าจิตเป็นญาณสัมปยุตโดยการกระทํำที่เป็นไปร่วมกับปัญญาโดยการเกิดในโลกที่ไม่ถูกเบียดเบียนโดยอินทรีย์แก่กล้าและโดยกิเลสอยู่ห่างไกลพึงทราบว่าจิตสสารคดโดยอุเบคาเวทนาและว่าจิตเป็นญาณวิปยุตโดยบรญยายตรงกันข้ามกับเหตุที่กล่าวมาแล้วนั้น พึงทราบว่าจิตเป็นอสังขาริกโดยกายและจิตมีความสามารถด้วยอำนาจสปายะมีอาวสัสสปายะเป็นต้นและโดยบุรพัจริยาเป็นต้นว่าความเป็นผู้ได้เคยทำการสั่งสมไว้ในบุญกิริยาวัตถุทั้งหลายมีทานเป็นต้นในปางก่อนและพึงทราบว่าจิตเป็น ส, สังขาริกโดยบรรยายตรงกันข้ามกับเหตุที่กล่าวมาแล้วนั้น บรรดากุศลละจิตแปดดวงนั้นก็ในการใดบุคคลใดอาศัยความถึงพร้อมแห่งทายธรรมและปฏิฆาหกเป็นต้นหรือเหตุแห่งโสมนัสอย่างอื่นร่าเริงยินดีเชิดชูสัมมาทิฏฐิอันเป็นไปโดยในยะว่าทานที่บุคคลให้แล้วมีผลจริงดังนี้เป็นต้นไว้เบื้องหน้าไม่ท้อแท้ไม่ถูกผู้อื่นกระตุ้นเตือน ย่อมทำบุญมีทานเป็นต้นในการนั้นจิตดวงนั้นของบุคคลนั้นสระโคดด้วยสมณสเวทนาเป็นญาณสัมปยุตเป็นอสังขาริกส่วนในการใดบุคคลร่าเริงยินดีเชื้ชูสมมาทิฏไวเบื้องหน้าโดยนยะดังกล่าวแล้วนั่นแหละท้อแท้อยู่ด้วยอำนาจความเป็นผู้มีการสละไม่ขาดเป็นต้น หรือถูกผู้อื่นกระตุ้นเตือนจึงทำบุญในการนั้นจิตดวงนั้นนั่นแหละของบุคคล น, นั้นเป็นสสังคาริกส่วนในการใดพวกเด็กไร้เดียงสาเกิดความเคยชินเพราะเห็นการปฏิบัติของชนผู้เป็นญาติเห็นภิกษุทั้งหลายแล้วเกิดความดีใจรีบถวายของที่อยู่ในมืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือไหว้ในการนั้นจิตดวงที่สามของเด็กเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้น ส่วนในการใดพวกเด็กไรเดียงสาเหล่านั้นถูกหมู่ญาติกระตุ้นเตือนว่าพวกเจ้าจงถวายจงไหวจึงปฏิบัติตามอย่างนั้นในการนั้นจิตดวงที่สี่ของเด็กเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นส่วนในการใดคนทั้งหลายอาศัยความไม่พรั่งพร้อมแห่งทายธรรมและปฏิคาหกเป็นต้นหรือความไม่มีเหตุแห่งโสมนัสเหล่าอื่นย่อมเป็นผู้ปราศจากโสมนัสในข้อกาหนดทั้งสี่อย่าง ในการนั้นจิต ท, ที่สระคตด้วยอุเบกขาเวทนาสี่ดวงที่เหลือของชนเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นแลด้วยปีศาบนในบทว่าอัตถปินี้ท่านพระอนุรุทธาอาจารย์ย่อมประมวลความที่จิตมีหลายประเภทด้วยอำนาจบุญกริยาวัตถุสิบเป็นต้นสมจริงดังที่ท่านอาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้ว่าท่านผู้ฉลาดในการนับ พึงนับจิตเหล่านี้โดยบุญกิริยาวัตถุทั้งหลายหนึ่งอารมณ์หนึ่งอธิบดีธรรมหนึ่งกรรมหนึ่งประเภทที่เลวเป็นต้นหนึ่งตามลำดับความจริงจิตแปดดวงเหล่านี้มีแปดสิบดวงเพราะอธิบายว่าแยกจิตแต่ละดวงออกเป็นสิบดวงเพราะเป็นไปด้วยอำนาจบุญกิริยาวัตถุสิบประการ ก็จิตแปดิบดวงเหล่านั้นแต่และดวงเอาหกคูณเพราะเป็นไปในอารมณ์หกจึงรวมเป็นจิตสี่ร้อแปดสิบดวงแต่ว่าโดยประเภทแห่งอธิบดีธรรมเพราะจิตที่ปราศจากยานมีจํานวนสองอสี่สิบดวงไม่มีการประกอบด้วยวิมังสาอธิบดีธรรมจิตสองสี่สิบดวงเหล่านั้นเอาสามคูณด้วยอำนาจแห่งอธิบดีธรรมสามประการจึงรวมเป็นจิตเจ็ดร้ยยี่สิบดวง และจิตที่ประกอบด้วยยานมีจํานวน240บดวงก็เหมือนกันคือเอาสี่คูณด้วยอำนาจอธิบดีธรรม4ประการจึงรวมเป็นจิตเก0ร้สดวงทวนรวมความดังว่ามานี้ว่าด้วยอำนาจอธิบดีธรรมจึงมีจิต1680ดวง จิตหนึ่งพันหร้อยแปดสิบดวงเหล่านั้นเอาสามคูณด้วยอำนาจกรรมสามคือกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมจึงมีจิตห้าพันสี่สิบดวงและจิตห้าพันสี่สิบดวงเหล่านั้นเอาสามคูณโดยประเภทแห่งจิตที่ต่ำปานกลางและที่ประนีตจึงรวมเป็นจิตหนึ่งมื่นห้าพันหนึ่งร้อย ยี่สิบดวงส่วนคำใดที่ด้านอาจารย์พุทธทัตตะเทระกล่าวว่าบัณฑิตพึงแสดงไขกามาวจจรกุศลจิตมีหนึ่งมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบดวงคำนั้นพึงเห็นว่าท่านไม่คำนึงถึงการลดจำนวนด้วยอำนาจอธิบดีธรรมกล่าวไว้ด้วยอำนาจการนับเรื่อยไป ส่วนประเภทแห่งกามาวจรกุศลและจิตเหล่านั้นโดยความต่างแห่งกาละและเทศะเป็นต้นหาประมาณไม่ได้เลยจิตทั้งหลายที่ชื่อว่ากุศลเพราะอัตวิเคราะห์ว่าย่อมกำจัดคือยังอากุศลละธรรมทั้งหลายที่น่าเกลียดให้วันไหวหรือเพราะอัตวิเคราะห์ว่าเบียดเบียนคือยังบาปธรรมทั้งหลายที่น่าเกลียดให้ปราศจากไป อีกอย่างหนึ่งจิตทั้งหลายที่ชื่อว่ากุศลเพราะอัถวิเคราะห์ว่าบันรอนคือตัดบาปธรรมที่ชื่อว่ากุสะเพราะนอนเนื่องในสันดานคือเป็นไปในสันดานโดยอาการที่น่าเกลียดอีกอย่างหนึ่งจิตทั้งหลายที่ชื่อว่ากุศลเพราะอัถวิเคราะห์ว่าอัญญาณหรือธรรมชาติมีศรัทธาเป็นต้นที่ชื่อว่ากุสะ เพราะเป็นเครื่องกำจัดอกุสุลธรรมทั้งหลายที่น่าเกลียดทำให้เบาบางหรือเป็นเครื่องกระทอาอกุสลธรรมทั้งหลายที่น่าเกลียดให้สิ้นสุดพึงถือเอาคือพึงให้เป็นไปตามสมควรโดยเป็นสหาชาติปัจจัยและอุปนิสยัจจัย กุศลจิตเหล่านั้นนั่นแหละชื่อว่ากามาวจรกุศลจิตเพราะอัตวิเคราะห์ว่าเป็นจิตที่ท่องเที่ยวไปในกามภพโดยอัดตามที่กล่าวแล้วเหมือนอย่างว่ากามาวจรกุศลจิตเหล่านั้นย่อมเป็นไปด้วยอำนาจบุญกิริยาวัตถุด้วยอำนาจกรรมทวารด้วยอำนาจกรรมและด้วยอำนาจอธิบดีธรรมฉันใดกามาวจรวิบากจิตทั้งหลายหาเป็นฉนันนันไม่ เพราะไม่เป็นไปด้วยอำนาจบุญกิริยาวัตถุสิบประการมีทานเป็นต้นเพราะไม่ให้วิญยติบังเกิดขึ้นเพราะไม่มีวิบากเป็นสภาวะและเพราะไม่ทำชั้นทาทิบดีธรรมเป็นต้นไว้เบื้องหน้าเป็นไปเพราะฉะนั้นพึงลดจำนวนด้วยอำนาจวัตถุ สี่ประการมีความไม่เป็นไปด้วยอำนาจบุญกิริยาวัตถุสิบประการมีทานเป็นต้นเป็นอาทินั้นแล้วประกอบความต่างกันแห่งจำนวนตามสมควรแม้กามาวจรวิบากจิตฝ่ายสะเหตุกะแปดดวงเหล่านี้ก็สวรคตรด้วยสมณสเสวทนาด้วยอำนาจ อิทธารมและสระคดด้วยอุเบคาเวทนาด้วยอำนาจอิทถมัชช ต, ตารมตามลำดับเป็นญาณสัมพยุตและเป็นญาณวิปยุตโดยกรรมมีพลังและไม่มีพลังในเวลาเป็นไปด้วยอำนาจกิจมีปฏิสนธิกิจเป็นต้นโดยสมควรแก่ชวนากิจโดยมากในเวลาเป็นไปกับด้วยตถาลัมพนากิจ และโดยสมควรแก่กรรมแม้ในเวลาเป็นไปกับด้วยตถาลัมพนากิจนั้นในการบางคราวเป็นอสังขาริกโดยปัจัยมีกรรมปัจัยเป็นต้นตามที่ปรากฏเว้นถูกกระตุ้นเตือนและด้วยอำนาจปัจจัยที่เป็นสปายะมีฤดูและโพชนะเป็นต้นและเป็นสังขาริก โดยปัจจัยมีกรรมปัจจัยเป็นต้นตามที่ปรากฏพร้อมกับถูกกระตุ้นเตือนและด้วยอำนาจปัจจัยที่ไม่เป็นสปายะมีฤดูและโภชนะเป็นต้นบัณฑิตพึงทราบแม้กามาวจริรออิยาจิตฝ่ายสาเหตุกะในวงเล็บแปดดวง ว่าสรคตด้วยโสมนัสเวทนาเป็นต้นตามสมควรตามนัยยะที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ในกามาวจรกุศลจิตในวงเลด็ดแปดดวงนั่นแหลสทรบว่าสะเหตุกะในคำว่าสะเหตุกะกามาวจรกุศลวิปากกริยาจิตตานินี้ เป็นบทวิเศษณะเพ่งถึงวิบากจิตและกิริยาจิตเพราะกุศลจิตเป็นสหิตุกะโดยส่วนเดียวความจริงการประกอบความตามที่จะรู้ได้มีอยู่ดุจในประโยคว่าก้อนกรวดและกระเบื้องถ้วยบ้างฝูงปลาบ้างเที่ยวไปก็มีหยุดอยู่ก็มีดังนี้เป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกอบกิริยาเที่ยวไป โดยมุ่งถึงฝูงปลาเพราะก้อนกรวดและกระเบื้องถ้วยไม่ประกอบกับกิริยาเที่ยวไปมีวาจาประกอบความว่ากุศ ล, ลจิตวิบากจิตและกิริยาจิตที่เป็นกามาวจรฝ่ายเสเหะตุกะบันดิตประมวลกล่าวไว้ยี่สิบสี่ดวงโดยความต่างการแห่งเวทนาญาและสังขารเพราะ ว่าโดยความต่างกันแห่งเวทนาแยกออกเป็นสองฝ่ายวงเล็บคือสหรคตด้วยโสมนัสเวทนาฝ่ายหนึ่งสรคตด้วยอุเบกขาเวทนาฝ่ายหนึ่งวงเล็บปิดเพราะว่าโดยความต่างกันแห่งยานแยกออกเป็นในวงเล็บสองฝ่ายฝ่ายละสี่ดวงวงเล็บเปิดคือเป็นยานสัมปยุทธสี่ดวงเป็นยาณวิปยุทธสี่ดวงวงเล็บปิด และเพราะว่าโดยความต่างกันแห่งสังขารมีฝ่ายละแปดดวงถามว่าก็ความต่างกันแห่งเวทนาเหมาะสมแล้วก่อนเพราะเวทนาเหล่านั้นมีสภาวะต่างกันมิใช่หรือส่วนความต่างกันแห่งยานและสังขารจะเหมาะสมอย่างไรตอบว่าความต่างกันแม้อันความมีและความไม่มีแห่งยานและสังขารกระทำแล้ว ก็ชื่อว่าอัญญาณและสังขารกระทำแล้วนั่นเองเปรียบเสมือนข้าวดีในวงเล็บและข้าวเสียอันผลกระทำแล้วฉะนั้นเพราะเหตุดังนี้นั้นความต่างกันอัญญาณและสังขารกระทำแล้วชื่อว่าความต่างกันแห่งญาณและสังขารเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้จึงไม่มีอะไรผิด บัดนี้ท่านพระอนุรุธทธาจารย์หวังจะประมวลแสดงกามาวาจรจิตแม้ทั้งปวงจึงกล่าวคำว่ากาเมเตวีสะดังนี้เป็นต้นมีอธิบายความว่าในกามาพบแม้เมื่อกามาวาจรจิตจะมีอนเนกประการโดยความต่างกาันแห่งข้อเบ็ดเสร็จมีการทวารและสันดานเป็นต้น ว่าแม้โดยประการทั้งปวงคือโดยประเภทที่อยู่ภายในกุศ ล, ลจิตอากุศลลจิตวิบากจิตและกิริยาจิตกามาวาจรจิตก็มี5 4สีดวงเท่านั้นคือวิบากจิตยี่สิามดวงอย่างนี้คืออกุศลวิบากกจิตเจ็ดดวงกุศลวิบากจิ ต, จตทั้งฝ่ายสาเหตุกะและอะเหตุกะ16ดวง กุศลและจิตและอกุศลจิตยี่สิบดวงคืออกุศลจิตสิบสองดวงกุศลจิตแปดดวงและกิริยาจิตสิบเอ็ดดวงคือกิริยาจิตฝ่ายอาเหตุกะสามดวงกิริยาจิตฝ่ายสาเหตุุกะแปดดวงพันานาความกามาวจรจิตจบบัทนี้ ถึงลำดับแห่งการแสดงไขรูปาวจรจิตในวงเล็บสิบห้าดวงที่ท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์ยกขึ้นแสดงไว้ในลำดับต่อจากกามาวจรจิตในวงเล็บห้าสิบสี่ดวงนั้นแล้วเพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์หวังจะแสดงการจําแนกรูปาวจรจิตนั้นออกเป็นห้าดวงโดยความต่างกันแห่งการประกอบด้วยองค์ฌาน จึงกล่าวคําว่าวิต ก, กะวิจาระปีติสุเคกะขาตาสหิตังดังนี้เป็นต้นจิตที่สหรคตด้วยสภาวธรรมเหล่านี้คือวิตกวิจารปีติสุขและเอกคตาชื่อว่าเกิดพร้อมด้วยวิตกวิจารปีติสุขและเอกคตาบรรดาสภาวธรรมหประการเหล่านั้นสภาวธรรมที่ชื่อว่าวิตกเพราะอัตวิเคราะห์ว่าย่อมตรึกคือยก สำปยุตรธรรมทั้งหลายขึ้นสู่อารมณ์วิตกนั้นมีลักษณะยกสหาชาตรธรรมทั้งหลายขึ้นสู่อารมณ์เปรียบเสมือนคนชาวบ้านบางคนอาศัยบุคคลผู้เป็นที่โปรดปรานของพระราชาหรือมิตรผู้สนิทสนมกับพระราชาย่อมเข้าไปสู่พระราชมนเทียนได้เนืองนิดฉันใด จิตอาศัยวิตกแล้วก็ย่อมขึ้นสู่อารมณ์ได้ฉันนั้นถามว่าถ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตที่ไม่มีวิตกจะขึ้นสู่อารมณ์ได้อย่างไรตอบว่าจิตที่ไม่มีวิตกแม้นั้นก็ขึ้นสู่อารมณ์ได้ด้วยกําลังแห่งวิตกนั่นเอง เรียบเหมือนคนผู้นั้นแม้จะเว้นบุคคลผู้เป็นที่โปรดปรานของพระราชาหรือมิตรผู้สนิทสนมกับพระราชานั้นก็เป็นผู้ปราศจากความระแวงเข้าไปสู่พระราชมเทียนได้เพราะความเคยชินฉันใดจิตที่ไม่มีวิตกแม้จะเว้นจากวิตกเสียก็ขึ้นสู่อารมณ์ได้เพราะความเคยชินฉันนั้น ก็การอบรมจิตอันบังเกิดด้วยอำนาจความเป็นไปเนืองๆในสันดานแห่งจิตที่มีวิตกชื่อว่าความเคยชินในอธิการนี้อีกอย่างหนึ่งบรรดาจิตที่ไม่มีวิตกนี้ปัญจวิญญาณจิตแม้ไม่มีวิตกก็ย่อมขึ้นสู่อารมณ์ได้ด้วยกําลังแห่งกิริยาที่วัตถุ ก, กับอารมณ์กระทบกัน และทุติยฌานนจิตเป็นต้นย่อมขึ้นสู่อารมณ์ได้ด้วยกำลังแห่งภาวนาเบื้องก ร, รมสภาวะธรรมที่ชื่อว่าวิจารเพราะอัตวิเคราะห์ว่าเป็นเครื่องค้นคว้าในอารมณ์แห่งจิตวิจาร์นั้นมีลักษณะเคล้าอารมณ์จริงอย่างนั้นวิจาร์นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงขไว้ว่าขวามสืบเนื่องกัน ก็บรนดาวิตกและวิจารณนี้สภาวธรรมที่ยังจิตให้ตกลงก่อนชื่อว่าวิตกเปรียบเสมือนการเคาะระกังครั้งแรกฉะนั้นเพราะอาจว่าหยาบกว่าวิจารณ์และเพราะอาดว่านำหน้าวิจารณ์นั้นนั่นเองสภาวธรรมที่ค้นคว้าเนืองๆชื่อว่าวิจารณ์เปรียบเสมือนเสียงครวญแห่งระกังฉะนั้นอันหนึ่งวิตกมีการแผ่ขยายไป เป็นสภาวะอย่างจิตให้กวัดแกว่งเปรียบเสมือนนกตัวต้องการโผบินขึ้นไปในอากาศกระพือปีกออกฉะนั้นและเปรียบเสมือนแมลงพึ่งตัวมีจิตติดพันในกลิ่นมุ่งหน้าโฉบลงตรงดอกประทุมฉะนั้นวิจารณ์มีความเป็นไปสงบเป็นสภาวะอย่างจิตไม่ให้กวาดแกว่งนัก เปรียบเหมือนนกตัวที่บินขึ้นไปในอากาศแล้วกางปีกออกฉะนั้นและเปรียบเสมือนแมลงพึ่งตัวมุ่งหน้าโฉบลงตรงดอกปทุมแล้วบินวนบนส่วนเบื้องบนแห่งดอกปทุมฉะนั้นธรรมชาติที่ชื่อว่าปีติเพราะอัตวิเคราะห์ว่าทำกายและจิตให้อิ่มเอิบคือให้เต็มหรือเพราะอัตวิเคราะห์ว่าทำกายและจิตให้เจริญ ปีตินั้นมีลักษณะทากายและจิตให้อิ่มเอิบมีคาที่ท่านกล่าวอธิบายไว้ว่าปีตินั้นมีลักษณะรับอารมณ์โดยเต็มที่ธรรมชาติที่ชื่อว่าสุขเพราะอาธิวิเคราะห์ว่ายังสัมประยุติธรรมทั้งหลายให้สบายสุขนั้นมีลักษณะเสวย อ, อิทถารม เปรียบเสมือนพระราชาทรงโปรดปรานรสสุธาโพธิชะนั้นบันดาปีติและสุขนั้นความแปลกกันแห่งปีติปรากฏแล้วในการได้รับอารมณ์เปรียบเสมือนความอิ่มใจในเพราะได้พบน้ำที่ชายป่าเป็นต้นของคนผู้อ่อนเพลียในทางกันดานฉะนั้น ความแปล ก, กันแห่งสุขปรากฏแล้วในเพราะการได้สเสวย อ, อารมณ์ตามที่ได้แล้วเปรียบเสมือนความสบายกายในเพราะการได้ดื่มน้ําตามที่ได้พบแล้วเป็นต้นฉะนั้นแลจิตที่ชื่อว่าเอกค ะ, ะเพราะอัตวิเคราะห์ว่ามีอารมณ์เดียวเป็นเลิศเพราะจิต ไม่มีความฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆภาวะแห่งเอกะคะนั้นชื่อว่าเอกะคะตาได้แก่สมาธิสมาธินั้นมีลักษณะที่จิตไม่ฟุ้งซ่านความจริงจิตที่สัมปยุต ด, ด้วยอำนาจสมาธินั้นย่อมเป็นธรรมชาติที่ไม่ฟุ้งซ่าน ที่ชื่อว่าปตมฌานเพราะอัตวิเคราะห์ว่าชื่อว่าฌานเพราะเพ่งอารมณ์แน่แน่และเพราะแผดเผาธรรมที่เป็นข้าศึกด้วยและชื่อว่าที่หนึ่งเพราะเป็นเบื้องต้นโดยลำดับแห่งเทศนาและโดยลำดับแห่งความเกิดขึ้นได้แก่ฌานมีองค์ห้ามีวิตกเจตสิกเป็นต้นความจริงเมื่อมีการประชุมแห่งองค์ฌานนั่นแหละ จึงเรียกว่าฌานได้เปรียบเสมือนเมื่อมีการประชุมแห่งองค์ประกอบมีกงเป็นต้นจึงเรียกว่ารถได้ฉะนั้นสมจริงดังพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในัำพีวิพังว่าที่ชื่อว่าฌานได้แก่วิตกวิจารปีติสุขจิตเกาตากัคคตากุศลลจิตที่สัมปยุทธ์ ด, ด้วยปทมฌานชื่อว่าปทมฌานกุศลจิต ถามว่าก็เพราะเหตุอะไรเมื่อสัมปยุตรธรรมทั้งหลายมีภาษาเจตสิกเป็นต้นแม้เหล่าอื่นก็ยังมีอยู่สภาวะธรรมห้าประการนี้เท่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นองค์ฌานห้าข้าพเจ้าจะ ก, กล่าวเฉลยเพราะสภาวะธรรมห้าประการนั้นมีหน้าที่เพ่งอารมณ์ที่แน่วแน่ และเป็นค่าศึกโดยตรงต่อนิวรธรรมห้าประการมีการมาฉันนิวรเป็นต้นความจริงวิตกเจตสิกย่อมยกจิตขึ้นไวในอารมวิจาร์เจตสิกย่อมตามผูกพันจิตปีติเจตสิกย่อมทำความอิ่มเอิบแก่จิตนั้นและสุขเวทนาย่อมทำความพอกพูนแก่จิตนั้นอันหนึ่งเอกคตาเจตสิก อันสัมปยุตรธรรมสประการซึ่งมีหน้าที่ยกจิตไว้ในอารมณ์ตามผูกพันจิตทําจิตให้เอิบอิ่มและทําความพอกพูนแก่จิตเหล่านี้สนับสนุนแล้วก็ยังจิตดวงนั้นพร้อมทั้งสัมปยุตรธรรมให้เป็นไปตามตนด้วยกิจคือความตั้งมั่นย่อมตั้งจิตไว้ในอารมณ์เดียวเป็นเลิศโดยสม่ําเสมอและโดยชอบ คือตั้งจิตไว้ด้วยอำนาจภาวะที่อินรียธรรมเสมอกันชื่อว่าสม่ำเสมอและตั้งจิตไว้โดยไม่มีความหดหู่และฝุ่งซ่านเพราะธรรมที่เป็นข้าศึกทั้งหลายอยู่ห่างไกลชื่อว่าโดยชอบรวมความดังว่ามานี้สภาวะธรรมห้าประการเหล่านั้นนั่นแหละมีหน้าที่เพ่งอารมณ์ที่แน่วแน่เป็นแผนกแผนกั น, กกน ก็ในความที่สภาวธรรมหประการเป็นข้าศึกต่อนิวรธรรมมีกามาฉันนิวรเป็นต้นบัณดิตพึงทราบความต่างกันแห่งสภาวธรรมห้าประการเหล่านี้ดังกล่าวไปนี้เอกก ต, เกตาเจตสิกชื่อว่าเป็นข้าศึกต่อกามาฉันนิวรเพราะเป็นข้าศึกโดยตรงต่อกิเลเป็นเหตุตั้งมั่นคือราคะความจริงความตั้งมั่นแห่งจิต ที่ถูกอารมณ์ต่างๆประเลา้าประโลมแล้วหมุนเวียนเปลี่ยนไปด้วยอำนาจการมชันนิวรย่อมมีเพราะความที่จิตมีอารมณ์เดียวเป็นเลิศปิติเจตสิกชื่อว่าเป็นข้าศึกโดยตรงต่อพยาบาทนิวรเพราะมีสภาวะที่จิตเบิกบาน วิตกเจตสิกชื่อว่าเป็นข้าศึกโดยตรงต่อธีนะมิทานิวร์เพราะมีความเป็นไปแผ่ขยายด้วยอำนาจความดำริโดยแยบคายสุขเวทนาชื่อว่าเป็นข้าศึกโดยตรงต่ออุทาจาักกุกุจานิวรซึ่งมีสภาวะที่จิตไม่สงบระงับและเร่าร้อนในภายหลังเพราะมีสภาวะสงบและเยือกเย็น วิจารเจตสิกชื่อว่าเป็นข้าศึกโดยตรงต่อวิจิกิจฉานิวร์เพราะมีสภาวะเปรียบเสมือนกับปัญญาด้วยอำนาจคลุกเคล้าอารมณ์เพราะทำห้าประการเหล่านั้นมีหน้าที่เพ่งอารมณ์ที่แน่วแน่และเพราะเป็นข้าศึกโดยตรงต่อนิวนรธรรมห้าประการมีการมาฉันนิวรเป็นต้นโดยประการดังกล่าวมานี้ สภาวธรรมห้าประการนี้เท่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงกำหนดไว้โดยความเป็นองค์ฌานห้าแลสมจริงดังที่พระโบราณอาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้ว่าเพราะมีหน้าที่เพ่งอารมณ์ที่แน่วแน่ในวงเล็บและเพราะเป็นข้าศึกโดยตรงต่อ น, นิวรธรรมห้าประการมีการมาฉันนิวรเป็นต้น สภาวะธรรมห้าประการเท่านั้นอาจารย์ทั้งหลายจึงกำหนดว่าเป็นฌานทั้งในเมื่อสัมปยุต ธ, ธรรมเหล่าอื่นก็ยังมีอยู่พพุ่งเห็นความหมายว่าก็บรรดาองค์ฌานห้ามีวิตกเป็นต้นนี้อุเบคาชื่อว่าอยู่ภายในความสุขนั่นเองเพราะมีสภาวะเป็นไปสงบเพราะเหตุ น, นั้นท่านอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่า อุเบกขาท่านกล่าวว่าสุขนั่นเองเพราะมีความเป็นไปสงบส่วนความแปลกกันแห่งฌานนั้นด้วยอำนาจองค์ที่ละได้เป็นต้นจักมีแจ้งข้างหน้าความแปลกกันที่จะได้แม้ในอรูปาวจรจิตและโลกุตระจิตก็เหมือนกันเพื่อจักมีแจ้งข้างหน้าถามว่าเพราะเหตุอะไรในอรูปาวจรกุศลลจิตนี้ ท่านพระอนุรุทธาจารย์จึงไม่ระบุความต่างการแห่งสังขารไว้เหมือนในกา마าวาจรกุศลแลจิตทั้งหลายความจริงรูปาวาจรกุศลแลจิตแม่นี้ที่พระโยคาวาจรได้ด้วยอำนาจประกอบสมร tha ล้ว น, วนก็สามารถจะเรียกได้ว่าเป็นสสังขาริกที่พระโยคาวาจรได้ด้วยอำนาจบรรลุมร ก, ก็สามารถจะเรียกได้ว่าเป็นอสังขาริกมิใช่หรือ ตอบว่ารูปราวจรกุศ ล, ลจิตนี้หาเป็นอย่างนั้นไม่เพราะฌานแม้ทั้งหมดที่พระโยคาวจรได้โดยความต่อเนื่องกันด้วยอำนาจบรรลุมรคในการเต่ามาก็เกิดขึ้นได้ด้วยอำนาจบริกรรมนั่นเองฉะนั้นใครๆจึงไม่สามารถจะเรียกได้ว่าเป็นอสังขาริกเพราะฌานแม้ทั้งหมด เว้นความปรุงแต่งเบื้องต้นกล่าวคือบริกรรมเสียจะเกิดขึ้นด้วยอำนาจความตั้งใจล้วนๆหาได้ไม่และทั้งไม่สามารถจะเรียกได้ว่าเป็นสัจสังขาริกเพระาะฌานแม้ทั้งหมดเว้นความตั้งใจเสียจะเกิดขึ้นด้วยการปรุงแต่งคือบริกรรมล้วนๆเท่านั้นก็หาได้ไม่อีกอย่างหนึ่งตอบว่า ฌานที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจการปรุงแต่งเบื้องต้นอย่างเดียวเป็นอสังขาริกในการบางคราวก็ไม่ได้เพราะเหตุนั้นท่านจึงไม่เรียกว่าอาสังขาริกและว่าสสังขาริกเพราะไม่มีความเป็นไปต่างกันก็ด้วยปีศัพ์ในบทว่าปัญจปินี้ ท่านพระอนุรุทธาจารย์ย่อมรวบรวมนัยยะที่ต่างกันมีอาธิอย่างนี้คือนวกตนัยล้วนๆด้วยอำนาจจตุกนัยและปัญจกนัยนวัตกนัยสี่หมวดเพราะท่านประกอบแสดงนวัตกนัยล้วนๆ น, นั้นด้วยปฏิปทาสี่หมวดคือทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญา สุขาปฏิปทากิต ป, ปาพิน ญ, ญาสุขาปฏิปทาทันทาพิน ญ, ญาสุขาปฏิปทากิต ป, ปาพิน ญ, ญานวากในสี่หมวดเพราะท่านประกอบด้วยอารมณ์สี่หมวดคือปริตังปริตารมนงังปริตังอปมาณารัมนังอปมา น, านางัานางปริตารมนงังอปมานางังอปมาณาราัมนังและนวกในสิบหหมวด ด้วยอำนาจแห่งนิยะที่อารมณ์และปฏิปทาเจือปนกันโดยนิยะมีอาธิว่าทุกขาปฏิปทังทันทาพินยังปริตังปริตารัมมะนังทุกขาปฏิปทังทันทาพินยังปริตังอปมานารัมมะนังรวมความว่านวกนไยมียี่สิบห้าหมวด วิบากอัญชานพิเศษให้บังเกิดย่อมเป็นเหมือนกับฌานนั้นนั่นเองโดยแน่นอนเพราะเหตุนั้นวิบากกจิตพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงจำแนกไว้เหมือนกับฌานนั่นเองความจริงเพื่อแสดงเนื้อความนี้นั่นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงยกกุศลจิตขึ้นแสดงไว้แมในนิเทศแห่งวิบา ก, กจิต แล้วส่งจำแนกมหาคตะวิบากจิตและโลกุตระวิบากจิตไว้ในลำดับต่อจากกุศลลจิตนั้นมีอธิบายความว่ารูปาวจรจิตมีห้าดวงโดยความต่างกันแห่งฌานคือโดยความต่างกันแห่งการประกอบด้วยองค์ฌานหองค์ฌานสี่องฌานสามองฌานสองและองค์ฌานสองซ้ำอีก ได้แก่มีห้าดวงคือฌานที่มีองค์ห้ามีองค์สี่มีองค์3ามีองค์สองและมีองค์สองซ้ำอีกว่าโดยความไม่แปรรันกรูปราวจรจิตนั้นพึงมีสิบห้าดวงโดยประเภทแห่งกุศลจิตวิปากจิตและกิริยาจิตแต่ละอย่างแยกออกเป็นอย่างละห้าดวงอีกพนานาความรูปราวจรจิตจบ บัดนี้ท่านพระอนุรุธทธาจารย์เมื่อจะจำแนกแสดงอรูปาวจรจิตเป็นสี่อย่างโดยความต่างการแห่งอารมณ์จึงกล่าวคำว่าอากาสานัญจายตนงดังนี้เป็นต้นในคำว่าอากาสานัญจายตนงเป็นต้นนั้นพึงทราบวิเคราะห์ดังต่อไปนี้อากาศชื่อว่าอนันตะเพราะอธิวิเคราะห์ว่าไม่มีที่สุดเพราะเว้นจากที่สุด มีอุปาทคณะเป็นต้นอากาศนั้นด้วยไม่มีที่สุดด้วยเพราะเหตุ น, นั้นจึงชื่อว่าอากาศสารันต์ได้แก่อากาศที่เพิกกรสินก็เมื่อควรจะกล่าวว่าอนันตากาสังท่านอาจารย์ก็กล่าวเสียว่าอากาศสารันตังด้วยอำนาจวางบทวิเศษณ์ไว้ข้างหลังดุจในประโยคมีอาธิว่าอักยาฮิโตฉะนั้น อาการสานันตะนั่นเองเป็นอาการสานัญนจะด้วยอำนาจภาวะปัจจัยใช้ในอาจแห่งตนอาการสานันจะนั่นเองชื่อว่าเป็นอายตนะเพราะอาจว่าเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งชา่นั้นพร้อมทั้งสำปรยุติธรรมดุจเทวายตนะของถวยเทพชา่นั้นเพราะเหตุนั้นชานี้จึงชื่อว่าอาการสานัญนจายตนะ แม้อรูปาวจรฌานที่หนึ่งที่ถึงอัปนาในอากาสารัญจายตนะนั้นท่านอาจารย์ก็เรียกว่าอากาสารัญจายตนะในอธิการว่าด้วยอรูปฌานนี้เหมือนฌานที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสเรียกว่าปัทวีกสินฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งอากาศไม่มีที่สุด เป็นบอกเกิดแห่งฌานนี้เพราะเหตุนั้นฌานนี้จึงชื่อว่าอากาสานัญญาตนะกุศลจิตที่สัมพยุ ด, ด้วยอากาสานัญจายตนะฌานนั้นชื่อว่าอากาสานัญญาตนะกุศลจิตวิญญาณ น, นั่นเองไม่มีที่สุดชื่อว่าวิญญาณานันตะคืออรูปวิญญาณที่หนึ่งจรงอยู่อรูปวิญญาณที่หนึ่ ง, ง, ญญ น, น, งนั้น แม้มีที่สุดมีอุปาทขณะเป็นต้นท่านก็เรียกว่าอนันตะเพราะเป็นไปในอากาศอันไม่มีที่สุดและเพราะภาวนาซึ่งปรารกตนเป็นไปไม่ถือเอาที่สุดมีอุปาทขณะเป็นต้นเป็นไปด้วยอำนาจแผ่ไปโดยไม่มีที่สุด วิญญาณานันตะนั่นเองเป็นวิญญาณันจะเพราะรัอาเป็นอะและลบณทิ้งเสียอีกอย่างหนึ่งฌานที่ชื่อว่าวิญญาณันจะเพราะอัตถวิเคราะห์ว่าอันอรูปวิญญาณที่สองพึงถึงคือพึงบรรลุวิญญาณันจะนั้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นอาตนะ เพราะเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งอรูปฌานที่สองเพราะเหตุนั้นอรูปฌานที่สองจึงชื่อว่าวิญญาณัญจายตนะคำที่เหลือเหมือนกับคำที่มีมาก่อนกิเลสเป็นเครื่องย่ำยีของอรูปาวจรฌานที่หนึ่งนั้นมีประมาณน้อยคือเหลือลงโดยที่สุด แม้เพียงพังค้าขณะมีอยู่ก็หาไม่ได้เพราะเหตุนั้นอรูปาวจรฌานที่หนึ่งนั้นชื่อว่าอากินจนะภาวะแห่งอกินจนะนั้นชื่อว่าอากินจัญญาได้แก่ความไม่มีแห่งอรูปาวจรวิญญาณที่หนึ่งคำว่าตะเทวะอายะตนังดังนี้เป็นต้นเหมือนกับคำที่มีมาก่อน สัญญาแห่งอรูปาวจรฌานนั้นพร้อมทั้งสัมปยุตธรรมชื่อว่ามีอยู่ก็หาไม่ได้เพราะสัญญาที่หยาบไม่มีและทั้งอรูปาวจรฌานนั้นพร้อมทั้งสัมปยุตธรรมชื่อว่าไม่มีสัญญาคือสัญญาไม่มีอยู่ก็หาไม่ได้เพราะสัญญาที่ละเอียดยังมีอยู่เพราะเหตุนั้นอรูปาวจรฌานนั้นชื่อว่าเ an hmm. นวสัญญานาสัญญา ได้แก่อรูปาวจรชานที่สี่แต่ท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์กระรรทําทีฆะแล้วกล่าวว่าเนวสัญญานาสัญญาเนวสัญญานาสัญญานั่นแหละชื่อว่าเป็นอาญตนะเพราะนับเนื่องในมนายาตนะและในธรรมายตนะเพราะเหตุนั้นอรูปาวจรชานที่สี่นั้นจึงชื่อว่าเนวสัญญานาสัญญายาตนะ อีกอย่างหนึ่งสัญญานั่นเองชื่อว่าเป็นสัญญาก็หาไม่ได้เพราะกิจแห่งสัญญาที่จำชัดกล่าวคือความถึงภาวะเป็นอารมณ์แห่งวิปัสนาแล้วให้เกิดความเบื่อหน่ายไม่มีและชื่อว่าไม่มีสัญญาก็หาไม่ได้เพราะสัญญายังมีอยู่โดยเป็นธรรมชาติที่ละเอียดซึ่งยังเหลือจากสังขารดุจ เตโชธาตในวงเล็บธาตุไฟในน้ำร้อนฉะนั้นเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าเนวสัญญานาสัญญาเนวสัญญานาสัญญานั้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นอาญาตนะเพราะเป็นที่อาศัยเป็นต้นแห่งชานี้พร้อมทั้งสำปรยุติธรรมเพราะเหตุนั้นอรูปาวจรชาณนั้นจึงชื่อว่าเนวสัญญานาสัญญายาตนะ ก็การกําหนดฌานด้วยอํานาจสัญญาในอรูปาวจรฌานที่สี่นี้เป็นเพียงตัวอย่างแม้สภาวธรรมทั้งหลายมีเวทนาเจตสิกเป็นต้นในฌานนั้นก็เป็นเนวะเวทนานาเวทนาเป็นต้นเหมือนกันแลกุศลแจิตสมปรยุทธ์ด้วยเนวสัญญาณสัญญาเจตนาฌานชื่อว่าเนวสัญญาณสัญญาเจตนากุศลแจิต ก็ด้วยปีศาบในบทว่าจัตาริปินี้ท่านพระอนุรุทธาจารย์ย่อมรวบรวมเทศนาสิบหกครั้งคือนัยยะที่อารมณ์กับปฏิปทาเจือปนกันและประเภทแห่งนัยยะที่มาในพระบาลีแม้อื่นอีกอรูปาวจรจิตย่อมมีสี่ประการโดยประเภทแห่งอารมณ์ทั้งหลายคือแห่งอารมณ์ทั้งหลายกล่าวคือกรสินอากาศวิญญาณและ ความไม่มีแห่งวิญญาณนั้นที่ท่านผู้บำเพ็ญเพียรพึงล่วงเลยไปและแห่งอารมณ์ทั้งหลายสี่มีอากาศเป็นต้นที่ท่านผู้บำเพ็ญเพียรพึงหน่วงเหนียวความจริงอรูปราวจรจิตนั้นล่วงเลยกสินนิมิตอันเป็นอารมณ์แห่งปัญจมะฌานไปน่วงเหนียวอากาศที่ท่านผู้บำเพ็ญเพียรได้มาด้วยการเพิกกสินนั้นแล้ว ล่วงเลยแม้อากาศนั้นไปหน่วงเหนี่ยววิญญาณที่เป็นไปในอากาศนั้นแล้วล่วงเลยแม้วิญญาณนั้นไปหน่วงเหนี่ยวความไม่มีกิเลสเป็นเครื่องย่ำยีอันเป็นความไม่มีแห่งวิญญาณนั้นแล้วล่วงเลยแม้ความไม่มีกิเลสเป็นเครื่องย่ำยีนั้น ไปน่วงเหนียวอรูปาวจรวิญญาณที่สามที่เป็นไปในความไม่มีกิเลสเป็นเครื่องย่ายีนั้นย่อมเป็นไปตามลำดับแต่จะยืดอารมณ์แม้แห่งอรูปาวจรฌานที่มีมาก่อนก่อนด้วยอำนาจล่วงเลยองค์ที่มีมาก่อนก่อนเป็นไปดุดรูปาวจรกุศ ล, ละจิตก็หาไม่ได้เพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่า อรูปสมาบัติแม้ทั้งสี่นี้ย่อมมีโดยการล่วงเลยอารมณ์บัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่ปรารถนาความล่วงเลยองค์แห่งอรูปสมาบัติสี่ประการเหล่านี้พนนาความอารูปาวจรจิตจบแล้วบัตรนี้ท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์ หวังจะจำแนกแสดงโลกุตระกุศละจิตออกเป็นสี่ดวงโดยการประกอบด้วยมรสีและโลกุตระวิบา ก, กจิตออกเป็นสี่ดวงโดยความเป็นไปคล้อยตามโลกุตระกุศละจิตนั้นจึงกล่าวคำว่าโสตาปฏิมคจิตตังดังนี้เป็นต้นอริยมรรคมีองค์แปดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่าโสต เพราะไหลไปสู่พระนิพพานคือเพราะเข้าถึงพระนิพพานหรือเพราะเป็นเหมือนกระแสน้ำโดยไหลไปสู่มหาสมุทรคือพระนิพพานการถึงอริยมรรคมีองแป8ที่พระองค์ตรัสเรียกว่าโสตะนั้นคือความดำเนินถึงได้แก่บรรลุถึงอริยมรรคมีองแปดที่พระองค์ตรัสเรียกว่าโสตะนั้นแต่ต้นคือ ได้ประสบครั้งแรกชื่อว่าโสตาปฏิมักเพราะอาอุปสรคเป็นไปในกรรมเบื้องต้นทำที่ชื่อว่ามักเพราะอัตวิเควราะห์ว่าสแสวงหาพระนิพพานหรือเพราะอัตวิเควราะห์ว่าอันบุคคลทั้งหลายผู้มีความต้องการพระนิพพานสแสวงหาอยู่หรือเพราะอัตวิเควราะห์ว่าฆ่ากิเลสทั้งหลายไปพระนิพพานจิต ที่สัมปยุดด้วยมรคนั้นชื่อว่ามรคจิตมรคจิตที่ได้ด้วยการถึงอริยมรคมีองแปดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่าโสตครั้งแรกชื่อว่าโสดาปฏิมรคจิตอีกอย่างหนึ่งบุคคลชื่อว่าโสดาปฏิเพราะอัตวิเคราะห์ว่ามีความดำเนินถึงกระแสะอริยมรคครั้งแรก มักแห่งบุคคลผู้มีการดำเนินถึงกระแสครั้งแรกนั้นชื่อว่าโสดาปฏิมักจิตที่ประกอบด้วยโสดาปฏิมักนั้นชื่อว่าโสดาปฏิมักขจิตพระอริยบุคคลผู้ชื่อว่าสกทาคามีเพราะอัตถวิเคราะห์ว่ามาสู่มนุษยสโลกนี้ด้วยอำนาจปฏิสนธิครั้งเดียวคือวาระเดียว บรรดาพระสกทาคามีห้าประเภทคือท่านผู้บรรลุความเป็นพระสกทาคามีในมนุษยโลกนี้แล้วปรินิพานในมนุษยโลกนี้หนึ่งท่านผู้บรรลุความเป็นพระสกทาคามีในเทวโลกนั้นแล้วปรินิพานในเทวโลกนั้นหนึ่งท่านผู้บรรลุความเป็นพระสกทาคามีในมนุษยโลกนี้แล้วปรินิพานในเทวโลกนั้นหนึ่ง ท่านผู้บรรลุความเป็นพระสกทาคามีในเทวโลกนั้นแล้วปรินิพานในมนุษยโลกนี้หนึ่งท่านผู้บรรลุความเป็นพระสกทาคามีในมนุษยโลกนี้แล้วบังเกิดในเทวโลกนั้นปรินิพานในมนุษยโลกนี้หนึ่งในที่นี้ท่านประสงค์ถึงพระสกทาคามีประเภทที่ห้าความจริง พระสกทาคามีประเภทที่ห้านั้นไปจากมนุษยโลกนี้แล้วกลับมาในมนุษยโลกนี้อีกครั้งเดียวแลมรรคจิตของพระสกทาคามีนั้นชื่อว่าสกทาคามิมรรคจิตเพราะท่านผู้พร้อมเพรียงด้วยมรจะกลับมาด้วยอำนาจปฏิสนธิอย่างเดียวกันนั้นไม่ได้ ท่านผู้ตั้งอยู่ในผลนั้นเท่านั้นชื่อว่าสกทาคามีแม้ก็จริงถึงอย่างนั้นมรรคที่เกิดขึ้นก่อนอันเป็นเหตุแห่งผลนั้นท่านก็กล่าวให้แปลกออกไปจากท่านผู้ตั้งอยู่ในผลว่าสกทาคามิมรรคเพื่อตัดขาดจากมรรคอื่นเสียอนาคามิมรรคบัณฑิตก็พึงทราบอย่างนี้แล จิตที่ประกอบด้วยสกทาคามิมักชื่อว่าสกทาคามิมักขจิตพระอริยบุคคลที่ชื่อว่าอนาคามีเพราะอัตวิเคราะห์ว่าไม่กลับมาสู่กรมธาตุนี้ด้วยอำนาจปฏิสนธิมักของพระอนาคามีนั้นชื่อว่าอนาคามิมักจิตที่ประกอบด้วยอนาคามิมักนั้นชื่อว่าอนาคามิมักขจิต พระอริยบุคคลชื่อว่าพระอรหันต์เพราะอัตวิเคราะห์ว่าย่อมควรซึ่งการบูชาพิเศษโดยความเป็นทักษินายบุคคลผู้เลิศอีกอย่างหนึ่งพระอริยบุคคลชื่อว่าอารหันต์เพราะอัตวิเคราะห์ว่ากรรมจัดฆาสึกกล่าวคือกิเลสหรือกรรมแห่งสังสารจักคือกิเลสได้อีกอย่างหนึ่ง พระอริยบุคคลชื่อว่าพระอรหันต์เพราะไม่มีความลับในการทำบาปคือพระอริยบุคคลที่8ปดภาวะแห่งพระอรหันต์นั้นชื่อว่าอารหัตคำว่าอารหัตนี้เป็นชื่อแห่งผลที่สี่มรักษ์อันเป็นเครื่องมาแห่งอรหัตนั้นชื่อว่าอารหัตมรรคจิตที่ประกอบด้วยอรหัตมรรมนั้นชื่อว่าอารหัตมรรมคจิต ด้วยปิดสัพท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์ย่อมรวบรวมซึ่งนัยยะแห่งมรคสี่ซึ่งแยกออกเป็นสี่พันในคือแต่ละมรคมีหนึ่งพันในนัยยะที่มาในสัจวิพังแยกเป็นหกหมื่นในแม้ซึ่งความที่โสดาปฏิมรคแยกออกเป็นอเนกประการโดยนัยยะที่กล่าวไว้แล้วในหนหลังในคำว่านัยยะศาสตวเสนะนั้น มีวาจากำหนดแสดงนัยยะพันหนึ่งดังต่อไปนี้อย่างไรอันดับแรกว่าโดยชื่อว่าชานโซดาปฏิมักพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงไม่พาดพิงถึงความต่างแห่งปฏิปทาทรงจำแนกไว้สองอย่างล้วนๆคือสุ ญ, ญตะอัปนิหิตะ ทรงประกอบด้วยปฏิปทาสี่หมวดแล้วทรงจำแนกแต่ละอย่างออกเป็นสี่อีกรวมความดังว่ามานี้โดยชื่อว่าฌานทรงจำแนกโสดาปฏิมักไว้สิบอย่างแม้ว่าโดยชื่อว่ามักสติปทานสมปทานอิทธิบาทอินทรีพระโภชงสจสะสมถัวิปัสนาธรรมขันอาญาตนะธาตอาหารผัสสะ เวทนาสัญญาเจตนาและจิตก็เหมือนกันคือทรงจำแนกแต่ละอย่างออกเป็นสิบประการด้วยอำนาจบุคคลผู้ตรัสรู้โดยอาการนั้นๆเพราะฉะนั้นว่าด้วยอำนาจฌานมีสิบในว่าด้วยอำนาจธรรมส9บเกประการมีมรรคเป็นต้นมีอย่างละสิบในรวมความว่าในฐานะยี่สิบ มีสองร้อยในสอง้อยในยะเหล่านั้นประกอบด้วยอธิบดีธรรมสี่แต่และอย่างจำแนกไว้อย่างละสี่อีกรวมความดังกล่าวมานี้ในยะที่ไม่เจือกับอธิบดีธรรมทั้งหลายมีสองร้อยในที่เจือปนกับอธิบดีธรรมทั้งหลายมีแปดร้อยในรวมความว่า ในโซดาปฏิมักมีหนึ่งพันในแม้ในสกาธาคามิมักเป็นต้นก็เหมือนกันคือมีอย่างละหนึ่งพันในผลละจิตคือจิตที่เป็นวิบากที่บุคคลได้ด้วยการดำเนินถึงกระแสะเบื้องต้นหรือของบุคคลผู้ดำเนินถึงกระแสะเบื้องต้นชื่อว่าโสดาปฏิผลและจิต ผลจิตนั้นด้วยความเป็นแห่งพระอาราหันต์ด้วยเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอรหัตผลจิตบาทคาถาว่าจตุมคับประเพเทนะเป็นต้นมีวาจาประกอบความว่าอนุตรจิตคือโลกุตรจิตกล่าวคือชื่อว่าอนุตระเพราะไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าตนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แปดดวงอย่างนี้ว่า โลกุตรักุศลจิตกล่าวคือมรสีมีสี 4, ่ดวงโดยประเภทแห่งสัมปโยคแห่งมรสมีองแปดมีสี่อย่างคือมีโซดาปฏิมรสเป็นต้นด้วยอำนาจละสังย์ได้อย่างนี้คือละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลพัตะปรมาตได้เด็ดขาดทำการมราคะและพยาบาทให้ถึงความเบาบาง ละกามราคะและพยาบาทเหล่านั้นนั่นแหละได้เด็ดขาดและรูปราคะรูปราคะมานะอุาจจจะและอวิชชาได้เด็ดขาดเพราะอินทรีย์ธรรมทั้งหลายมีความสามารถต่างกันโดยความต่างกันแห่งอินทรีย์ธรรมที่ยังไม่แก่กล้าแก่กล้าแก่กล้ากว่าและแก่กล้าที่สุด ส่วนโลกุตระวิบากจิตก็เหมือนกันคือมีสี่ดวงเพราะเป็นผลแห่งโลกุตระกุศลจิตนั้นนั่นแหละคือเพราะคล้อยตามโลกุตระกุศลจิตนั้นก็เพราะกิริยาจิตฝ่ายโลกุตระไม่เกิดมีท่านอาจารย์จึงไม่กล่าวโลกุตระจิตนั้นว่ามีสิบสองดวง ถามว่าก็เพราะเหตุอะไรกิริยาจิตฝ่ายโลกุตระจึงไม่เกิดมีตอบว่าเพราะมรรคจิตเกิดขึ้นชั่วขณะจิตเดียวก็ถ้ามรรคจิตจะพึงเกิดขึ้นได้บ่อยๆไฟในกาลนั้นบัณฑิตก็จะสามารถเรียกมรรคจิตนั้นว่าเป็นกิริยาได้เพราะเกิดขึ้นแก่พระอรหันต์แต่มรรคจิตนั้น จะเกิดขึ้นแก่พระเสขบุคคลทั้งหลายหรือแก่พระอะเสขบุคคลทั้งหลายในการบางคราวก็หามิได้โดยไม่มีกิจที่จะพึงกระทาแม้ในความเกิดขึ้นแห่งมรรคจิตนั้นซ้าอีกและโดยผลสมาบัตินั่นแลเป็นไปด้วยอานาจมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบัน เพราะมรรคจิตนั้นอันท่านผู้บำเพ็ญเพียรจะพึงได้แน่นอนด้วยอำนาจตัดกิเลสได้เด็ดขาดเท่านั้นและเพราะมรรคจิตนั้นซึ่งเป็นไปเพียงวาระเดียวเท่านั้นก็ให้สำเร็จความไม่เป็นไปแห่งกิเลสนั้ น, น, นได้เด็ดขาดเปรียบเสมือนอาสนีบาทที่ฟาดลงเพียงครั้งเดียวก็ให้สำเร็จการถอนต้นไม้เป็นต้นขึ้นได้พร้อมทั้งรากจากนั้น เพราะฉะนั้นกิริยาจิตฝ่ายโลกุตระจึงไม่มีแม้โดยประการทั้งปวงแลคำว่าทวาทศกุสลานิเป็นต้นเป็นการรวบรวมจำนวนจิตที่เป็นไปในภูมิสี่ตามที่กล่าวแล้ว ท่านพระอนุรุธทธาาจารย์ครั้นแสดงการรวบรวมจิตด้วยอำนาจชาติดังพันานามาชนีเพื่อจะแสดงการรวบรวมด้วยอำนาจภูมิอีกจึงกล่าวคำว่าจะตุปัญญาสทากามเมดังนี้เป็นต้น มีอธิบายความว่าในกามาพบบัณฑิตพึงกล่าวจิตว่ามีห้าสิบสี่ดวงในรูปประพบพึงกล่าวจิตว่ามีสิบห้าดวงในอรูปประพบพึงกล่าวจิตว่ามีสิบสองดวงส่วนในโลกุตรธรรมคือในหมวดธรรม9ประการบัณฑิตพึงกล่าวคือพึงแสดงจิตว่ามีแปดดวง ก็ในคาดานีจิตทั้งหลายที่นับเนื่องในกามาพบเป็นต้นโดยภาวะที่มีตัณหามีกามตัณหาเป็นต้นเป็นอารมณ์แม้จะเป็นไปในภูมิอื่นจากภูมิของตนของตนบ้างท่านก็เรียกว่าจิตในกามาพบเป็นต้นเปรียบเสมือนสัตว์เดรัจฉานแม้บังเกิดในท้องของหญิงมนุษย์ท่านก็รวมไว้ในพวกสัตว์เดรัจฉานนั่นเองเพราะนับเนื่องในกาเนิดสัตว์เดรัจฉาน จิตที่ไม่นับเนื่องในภูมิไหนๆเป็นส่วนหนึ่งแห่งหมวดโลกุตรธรรม9ก้าประการท่านเรียกว่าจิตในโลกุตรธร ร, รมดุจในประโยคเป็นต้นว่ากิ่งทั้งหลายในต้นไม้ฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งศัพท์ว่ากาเมและว่ารูเปนี้เป็นการแสดงการลบบทเบื้องหลังด้วยอำนาจทุติยวิพัตนพรหุวาจนะคือซึ่งจิต ที่มีในอรูปภพชื่อว่าอรูปาวจรจิตซึ่งจิตชื่อว่าอนุตตระเพราะอัตวิเคราะห์ว่าไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าในคาถานี้บัณฑิตพึงเห็นการเชื่อมความอย่างนี้ว่าบัณฑิตพึงกล่าวจิตทั้งหลายที่มีในกามภพคือที่เป็นกามาวจรว่ามีห้าสิบสี่ดวง พึงกล่าวจิตที่มีในรูปภพคือที่เป็นรูปราวจรว่ามีสิบห้าดวงพึงกล่าวจิตที่มีในอรูปภพคือที่เป็นอรูปราวจรว่ามีสิบสองดวงพึงกล่าวจิตที่มีในอนุตรธรรมคือที่เป็นโลกุตระว่ามีแปดดวงบัณฑิตทั้งหลายผู้มีปัญญาเห็นประจักษ์คือมีสภาวะบอกเนื้อความทั้งหลายโดยพิเศษ ย่อมจำแนกมนัสคือจิตแยกประเภทเป็นแปดสิบเก้าดวงด้วยประการชนี้คือด้วยอำนาจประเภทแห่งจิตที่เป็นไปในภูมิสี่ที่ต่างกันโดยความต่างกันแห่งชาติตามที่กล่าวแล้วอีกอย่างหนึ่งบัณฑิตทั้งหลายย่อมจำแนกจิตหนึ่งร้ยี่สิบเอ็ดดวงคือหนึ่งร้อยยิ่งด้วยยี่สิบ เกินไปหนึ่งโสดาปฏิมาคจิตนั้นด้วยชื่อว่าเป็นปฐมฌานเพราะเป็นเสมือนกับปฐมฌานเป็นต้นด้วยอํานาจแห่งองค์ฌานนั้นด้วยเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าปฐมฌานโสดาปฏิมาคจิต ความจริงมักทั้งฝีได้การบัญญัติว่าปฐมฌานเป็นต้นแต่ละอย่างแยกออกเป็นห้าเพราะความปรากฏแห่งองค์มีวิตกเป็นต้นอันเหมือนกับฌานนั้นๆด้วยอำนาจฌานที่เป็นบาทฌานที่พระโยคาวจรพิจารณาแล้วและอัชาสัยแห่งบุคคลอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรุตตาจารย์จึงกล่าวว่าชานังคโยคะเพเทนะดังนี้เป็นต้นบรรดาฌานที่เป็นบาท ฌานที่พระโยคาวจรพิจารณาแล้วและอัชชาสายแห่งบุคคล น, นั้นเมื่อพระโยคาวจรเข้าฌานใดๆบรรดาปฐมฌานเป็นต้นออกจากฌานนั้นแล้วพิจารณาสังขารธรรมทั้งหลายอยู่วุฒธธานคามินีวิปัสนาเป็นไปฌา น, นนั้นๆชื่อว่าฌานที่เป็นบาทเพราะเป็นประฐานแห่งวุทฒานคามินีวิปัสนา เมื่อพระโยคาวจรพิจารณาฌานใดๆวุธานคามินีวิปั ส, สนานั้นนั่นแหละเป็นไปฌา น, นนั้นๆชื่อว่าฌานที่พิจารณาแล้วอาจาสัยที่เกิดขึ้นแก่พระโยคาวจรอย่างนี้ว่าฉะนี้น้อมักที่ประกอบด้วยองค์ห้าที่เหมือนกับปฐมฌานพึงมีแก่เรา หรือว่ามร์อันต่างด้วยมร์มีองคศีเป็นต้นที่เหมือนกับทุติยะชาอันเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งพึงมีแก่เราชื่อว่าอาชาสัยแห่งบุคคลบรรดาชาที่เป็นบาทเป็นต้นพระโยคาวจรรูปใดเข้าชาอย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาปฐมชาตเป็นต้นออกจากชาอ น, นั้นแล้วพิจารณาปกินากะสังขารธรรมทั้งหลายย่อมให้มร์กเกิดขึ้น มักนั้นของพระโยคาวจรรูปนั้น trauma, ย่อมเป็นเหมือนฌานที่เป็นบ า, ian, บาทท น, นนั้นมีปฐมฌานเป็นต้นก็ <G> <G> ถ้าฌานที่เป็นบาทแห่งวิปัสนาอย่างใดอยาด่อยางหนึ่งไม่มีพระโยคาวจรพิจรารณาฌานอยา่างใดอย่างหนึ่งบรรดาปฐมฌานเป็นต้นอย่างเดียวย่อมให้มักขจิตเกิดขึ้นมักนั้นของพระโยคาวจรนั้นก็เหมือนฌานที่พิจรารณาแล้วก็ ถ้าพระโยคาวจรเข้าฌานอย่างใดอย่างหนึ่งพิจารณาฌานอื่นจากฌานนั้นย่อมให้มรรคเกิดขึ้นในการนั้นมรรคของพระโยคาวจรนั้นย่อมเป็นเหมือนฌานที่เป็นบาทและฌานที่พิจารณาแล้วสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยอำนาจอาชาสัยแห่งบุคคล ก็ถ้าว่าอาจาสายแห่งบุคคลเช่นนั้นไม่มีมักที่พระโยคาวจรออกจากฌานชั้นต่ำๆแล้วพิจารณาฌานธรรมชั้นสูงๆให้เกิดขึ้นย่อมเป็นเหมือนฌานที่พิจารณาแล้วไม่คำหนึ่งถึงฌานที่เป็นบาท ส่วนมรรคที่พระโยคาวจรออกจากฌานชั้นสูงสูงแล้วพิจารณาฌา น, นธรรมชั้นต่ำๆให้เกิดขึ้นย่อมเป็นเหมือนฌานที่เป็นบาทไม่คำนึงถึงฌานที่พิจารณาแล้วความจริงฌานชั้นสูงสูงย่อมมีกำลังกว่าฌานชั้นต่ำๆแลส่วนการกำหนดเวทนาแม้ในมรรคทั้งหมดย่อมมีโดยการกำหนดวุถานาคามินีวิปัสสนา การกำหนดองคฌานทั้งสิ้นของพระอาหารหันต์สุขวิปัสสกะก็เหมือนกันคือย่อมมีโดยการกำหนดบุตรฐานคามินีวิปัสสนาจริงอยู่เพราะไม่มีการกำหนดด้วยอำนาจฌานที่เป็นบาทเป็นต้นเหล่านั้นโดยที่พระอาหารหันต์สุขวิปัสสกะนั้นไม่มีฌานที่เป็นบาทเป็นต้นมักที่ประกอบด้วยองค์ห้าเท่านั้นจึงมีโดยการกำหนดวิปัสสนา อีกอย่างหนึ่งในอธิการว่าด้วยการกำหนดองค์ชานี้ท่านอาจารย์ยกการวินิจฉัยที่เป็นสาระขึ้นจากปรกรณ์มีอัตถกถ า, าเป็นต้นดังนี้ว่าแม้มักที่พระโยคาวจรผู้มีปกติได้สมาบัติไม่กระทาฌานให้เป็นบาตพิจารณาปกจินากาสังขารธรรมทั้งหลายแล้วให้เกิดขึ้นย่อมประกอบด้วยองหา้าด้วยการกาหนดวิปัสสนาเท่านั้น ส่วนความพิสดารอย่างยิ่งที่เป็นไปด้วยอำนาจการแสดงเถรวาดเป็นต้นบัณฑิตพึงทราบตามนยะที่ท่านอาจารย์กล่าวไว้แล้วในคำพีทั้งหลายมีอัตกถาเป็นต้นอ น, นึ่งนัยะโดยพิสดารในการกาหนดโพชงและองค์มรรคเป็นต้นแม้ทั้งหมดบัณฑิตพึงค้นดูตามนัยะที่กล่าวไว้ในประกรณานั้นเหมือนอย่างในองค์ฌานนี้ ส่วนในประกรณ์นี้เพื่อจะอนุเคราะห์ชนผู้คลาดต่อคำพีข้าพาเจ้าจึงประสงค์การกล่าวโดยย่อเปรียบเหมือนรูปาวจรจิตท่านจัดไว้ในประเภทแห่งฌานห้ามีปฐมฌานเป็นต้นคือท่านเรียกว่าปฐมฌานเป็นต้นชันใดแม้โลคุตรจิตบัณฑิตก็ย่อมกำหนดรู้ตามนยัยว่าปฐมฌานโสดาปิมัคจิตเป็นต้นฉันนั้น อันหนึ่งแม้อรูปาวะจรจิตท่านก็จัดไว้ในฌานที่ห้าเพราะมีองค์เสมอกันโดยประกอบด้วยอุเบคาและเอกคตาอธิบายว่าย่อมได้การเรียกว่าปัญจมะฌานอีกอย่างหนึ่งมีวาจาประกอบความว่า ก็รูปาวจรจิตและโลกุตรจิตท่านจัดไว้ในประเภทแห่งฌานมีปฐมฌานเป็นต้นโดยนัยว่าปฐมฌานขู่สนธจิตปฐมฌานโสดาปาัติมัคจิตดังนี้เป็นต้นฉันใดแม้รูปาวจรจิตท่านก็จัดไว้ในฌานที่5้ชั้นนั้นความจริงว่าจะประกอบความนี้แหละปรากฏว่าแม้ท่านอาจารย์ก็ประสงค์แล้วเพราะในคัมภีร์นามรูปะปริเชตท่านกล่าวไว้อย่างนั้นชัดเจนทีเดียว สมจริงดังที่ท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์กล่าวไว้ในคมภีรนามรูปะปริเชศว่าก็รูปราวจรจิตและโลกุตรจิตท่านจัดไว้ในประเภทแห่งฌานมีปฐมฌานเป็นต้นชั้นใดแม้อรูปราวจรจิตท่านก็จัดไว้ในฌานที่ห้าชั้นนั้น บทว่าตัสสมาเป็นต้นมีอธิบายความว่าเพราะแม้โลกุตรจิตท่านจัดไว้ในประเภทแห่งฌานมีปฐมฌานเป็นต้นเหมือนรูปาวจรจิตและเพราะแม้อรูปาวจรจิตท่านจัดไว้ในปัญจมฌานหรือเพราะโลกุตรจิตท่านกล่าวว่ามีสี่สิบดวงเพราะแยกแต่ละดวงออกเป็นห้าดวงโดยความต่างกาันแห่งการประกอบด้วยองคฌาน และแม้อรูปาวะจรจิต ท, ท่านจัดไว้ในฌานที่ห้าเหมือนรูปาวะจรจิตและโลกุตระจิต ท, ที่ท่านจัดไว้ในประเภทแห่งฌานมีปฐมฌานเป็นต้นฉะนั้นเหตุนั้นฌานแต่ละอย่างมีปฐมฌานเป็นต้นจึงมีสิบเอ็ดดวงคือเป็นโลกิยะสามดวงเป็นโลกุตระแปดวง ส่วนฌานในที่สุดมี23ดวงคือรูปราวจรจิต3ดวงอรูปราวจรจิต12ดวงและโลกุตระจิต8ดวงการเพิ่มจำนวนจิตด้วยอนานาจฌานที่เป็นบาทเป็นต้นย่อมมีในพระกุศลจิตและวิบากจิตฝ่ายโลกุตระเท่านั้นเพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรุทธาอาจารย์เมื่อจะแสดงจำนวนกุศลจิตและวิบากจิตที่เป็นโลกุตระเหล่านั้นนั่นแหละ โดยความเป็นองค์แห่งจำนวนจิตหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดดวงจึงกล่าวคำว่าสตติงสะดังนี้เป็นต้นพันธนาความปริเจตที่หนึ่งในเดก า, ภรร า, าอภิธรรมะถาสังคหะชื่ออภิธรรมะถาวิภาวินีจบแล้วด้วยประการชนี พันานาความปริเฉต ท, ที่สองท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์รันจำแนกจิตโดยความต่างการแห่งภูมิชาติสัมปโยกสังขารฌานอารมณ์และมรรคตามสมควรดังพันานามาชะนี้ก่อนแล้วบัดนี้เพราะถึงการจำแนกเจตสิกธรรมตามลำดับอันดับแรก หวังจะตั้งลักษณะแห่งเจตสิก ค, คือการชี้ลักษณะแห่งสัมภโยคสี่ประการก่อนในลำดับต่อแต่นั้นจึงยกเจตสิกกรรมทั้งหลายขึ้นแสดงโดยราศีสามคืออัญญสมาณะราศีอากุศลราศีและโสผลราศีแล้วจึงแสดงสัมภ ROC แห่งเจตสิกกรรมเหล่านั้น โดยอาการสิบหกอย่างและสังคหะแห่งเจตสิกธรรมเหล่านั้นโดยอาการสามสิบสามอย่างจึงเริ่มคําว่าเอกุ ป, ปาทานิโรธาจะดังนี้เป็นต้นทำเหล่าใดมีความเกิดขึ้นและความดับลงพร้อมกันกับจิตทำเหล่านั้นชื่อว่าเอกุ ป, ปาทานิโรธทำเหล่าใด มีอารมณ์และวัตถุอย่างเดียวกันกับจิตทมเหล่านั้นชื่อว่าเอกาลัมพนะวัตถุกะสภาวะที่ชื่อว่าธรรมเพราะส่งไว้ซึ่งลักษณะของตนมีห้าสิบประการประกอบกับจิตคือสัมปยุติกับจิตโดยลักษณะสประการดังพันนานามาชนี้บัณฑิตลงมติว่าเจตสิกธรรม ทั้งที่มีการประกอบแน่นอนและการประกอบไม่แน่นอนในบรรดาลักษณะสี่ประการนั้นถ้าอธิบายเจตสิกธรรมว่าประกอบกับจิตด้วยเหตุเพียงเกิดขึ้นพร้อมกันเท่านั้นในการนั้นแม้รูปธรรม ท, ทั้งหลายที่เกิดพร้อมกันกับจิตก็จะต้องพลอยประกอบกับจิตไปด้วยเพราะฉะนั้น ท่านจึงใส่เอกะเนโรทัพน์ไว้ด้วยแม้เมื่อเป็นเช่นนั้นใครๆก็ไม่สามารถจะห้ามความพ้องกันแห่งวิญยัตรรูปสองที่มีปกติเปลี่ยนไปตามจิตอันหนึ่งใครๆไม่สามารถจะห้ามความพ้องกันแห่งรูปธรรม ท, ทั้งหลายแม้ที่เกิดขึ้นก่อนแล้วดับลงในพังคะขณะแห่งจิต แกบุคคลผู้กำหนดอยู่ว่าทมที่ชื่อว่าเอกุปปทนิโรธเพราะอัถวิเคราะห์ว่ามีความเกิดขึ้นหรือดับลงพร้อมกันในวงเล็บกับจิตเพราะเหตุนั้นท่านจึงใส่สั์ว่าเอการำพณะไว้ด้วยเพื่อจะแสดงว่าทมทั้งหลายมีลักษณะสามประการอย่างนี้เหล่าใด ทาเหล่านั้นก็มีวัตถุที่ตั้งที่เกิดเป็นอันเดียวกันโดยแน่นอนนั่นเองท่านจึงใส่สั์ว่าเอกวัตถุไว้ด้วยพอทีไม่ต้องให้พิสดารมากนักคําว่ากระถังเป็นคําถามเพื่อต้องการจะกล่าวอาการแห่งสัมปโยกกามสภาวะสภาวะธรรมที่ชื่อว่าภาษะเพราะอัถวิเคราะห์ว่าย่อมถูกต้องในวงเล็บอารมณ์ ภาษานี้นั้นมีลักษณะถูกต้องอารมณ์ความจริงภาษานี้แม้เป็นอรูปธรรมก็เป็นไปโดยอาการถูกต้องอารมณ์นั่นเองและความเป็นไปโดยอาการถูกต้องอารมณ์นั้นแห่งภาษาเจตสิกนั้นพึงเห็นคล้ายอาการที่คนอื่นมองเห็นคนเคี้ยวกินของเปรี้ยวเป็นต้นก็เกิดน้ำลายไหลเป็นอาทิฉะนั้น ธรรมชาติที่ชื่อว่าเวทนาเพราะอัศวีเคราะห์ว่าเสวยคือกินรสของอารมณ์เวทนาเจตสิกนั้นมีลักษณะเสวยอารมณ์ความจริงสัมปยุตรธรรมที่เหลือทั้งหลายถึงการเสวยรสของอารมณ์แล้วย่อมเสวยได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นส่วนเวทนาเจตสิกเท่านั้นย่อมเสวยได้โดยทั้งหมดเพราะเป็นธรรมชาติมีอิสระ จริงอย่างนั้นเวทนาเจตสิกนั้นท่านกล่าวไว้ว่าเปรียบเสมือนพระราชาผู้เสวยรถสุทธาโพธิฉะนั้นก็ท่านพระอนุรุธทธาอาจารย์จะกกล่าวประเภทแห่งเวทนานั้นด้วยอำนาจสุขเวทนาเป็นต้นไว้เองทีเดียวธรรมชาติที่ชื่อว่าสัญญาเพราะอัตวิเคราะห์ว่าหมายรู้คือทําความหมายรู้แล้วย่อมรู้อารมณ์ต่างโดยสีเขียวเป็นต้น สัญญาเจตสิกนั้นมีลักษณะหมายรู้อารมณ์ความจริงสัญญาเจตสิกนั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นกำหนดอาการอันเป็นเหตุแห่งความหมายรู้ในภายหลังเปรียบเหมือนนายช่างไม้เป็นต้นทำเครื่องหมายไว้ที่ไม้เป็นต้นฉะนั้นถามว่าก็คำที่กล่าวมานี้เหมาแก่สัญญาที่ทาเครื่องหมายก่อน แต่สำหรับสัญญาที่หมายรู้ตามเครื่องหมายจะเหมาะสมได้อย่างไรตอบว่าแม้สัญญาที่หมายรู้ตามเครื่องหมายนั้นก็เกิดขึ้นกำหนดอาการอันเป็นเครื่องหมายของความรู้ด้วยสัญญาอื่นอีกเพราะเหตุนั้นในสัญญาที่หมายรู้ตามเครื่องหมายนี้จึงไม่มีความไม่เหมาะสมอะไร ธรรมชาติที่ชื่อว่าเจตนาเพราะอัตวิเคราะห์ว่าตั้งใจคือตั้งธรรมอันประกอบกับตนไว้มั่นในอารมณ์หรือเพราะอัตวิเคราะห์ว่ามีความขวนขวายในการปรุงแต่งสังคต ธ, ธรรมจริงอย่างนั้นเพราะเป็นประธานในการปรุงแต่ง เจตานานี้แลพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงจำแนกสังขารขันจึงตรัสไว้ว่าที่ชื่อว่าสังขารเพราะอัถวิเคราะห์ว่าปรุงแกงสังคตาธรรมแล้วทรงแสดงไวใ้ในสุดตันตภาชนีในคำพีวิพังด้วยพระพุทธพจน์ว่าจะขุสัมผัสชาเจตานาดังนี้เป็นต้น เจ ต, ตานานั้นมีลักษณะตั้งใจพึงเห็นว่าให้สำเร็จกิจตนและกิจผู้อื่นได้เปรียบเสมือนหัวหน้าสิทธิและนายช่างใหญ่เป็นต้นฉะนั้นการอธิบายเอกคตาวิตกวิจาร์และปติติตามสภาวะมาแล้วในตอนต้นนั่นแลที่ชื่อว่าชีวิตเพราะอาธวิเคราะห์ว่าเป็นเครื่องอยู่แห่งสัมปยุตธรรมทั้งหลาย ชีวิตนั้นแลชื่อว่าเป็นอินทรีเพราะประกอบด้วยความเป็นใหญ่ในการหล่อเลี้ยงสหชาตธรรมเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าชีวิตอินทรีชีวิตินทรีนั้นมีลักษณะหล่อเลี้ยงสหชาตธรรมเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงอุบลเป็นต้นฉะนั้นการกระทาชื่อว่าการการกระทาไว้ในใจชื่อว่ามณสิกาน มนัสิกานั้นมีลักษณะหน่วงใจมาในอารมณ์วิตกเจตสิกเจตนาเจตสิกและมนัสิกานเจตสิกทั้งสามเหล่านี้มีความแปลกกันดังนี้คือวิตกเจตสิกย่อมเป็นเหมือนใส่เข้าซึ่งสาัชารธรรมเหล่านั้นไว้ในอารมณ์นั้นเพราะเป็นสภาวะยกสัจารธรรมทั้งหลายขึ้นไว้ในอารมณ์ เจตนาเจตสิกรประกอบแม้ซึ่งคำทั้งหลายตามที่เกิดขึ้นไว้ในอารมณ์นั้นโดยการยึดอารมณ์ด้วยตนย่อมเป็นเหมือนแม่ทับฉะนั้นมนุิการเจตสิกเปรียบเหมือนนายสารถีผู้คอยควบคุมม้าอาชาในเพราะควบคุมสาชาธรรมเหล่านั้นให้มุ่งตรงต่ออารมณ์